อาจารย์ครับการนัวัสการครับผมอาจารย์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่นะครับอาจารย์ครับก่อนเข้ารายการขออนุญาตถามเหมือนเดิมครับอาจารย์ว่าเช้าคนใส่บาตรเยอะไหมครับผมก็เท่าเดิมประมาณสี่ร้อยสิบหกรายเดอ ก, นกวนาทตสี่ประมาณสี่ร้อยครับแล้วแล้วหน้ากุดเยอะไหมครับอาจารย์ครับ คนที่มาฟังตอนบ่ายก็น่าคุนร้อยเจ็ดสิบกว่ า, า, ารวมกันทั้งหมดก็แปด้อยกว่ารวมน้ำทังบ้านด้วยครับผมตอนนี้ทั้งออนไลน์ก็รวมกันประมาณเก้าร้อยกว่าละครับอาจารย์ครับรก็ถือว่ารายการสดนี่จะของที่นี่จะมากพิ่สุด น, นะครับเอมากที่สุดครับมีติ๊ t ต k อกมาช่วยได้เยอะนะครับอาจารย์ติ TikTok ๊กต k เป็นคนสนันสบสคุน อาจารย์ครับอาทิตย์นี้ก็วันพุธนี้เป็นวันมาคาบูชาครับก็เลยจะขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับว่าวันมาคะบูชาพระพุทธเจ้าเราวางหลักวางเกมให้ให้เราอย่างไรบ้างครับขอความเมตตาพระอาจารย์ครับคือวันมาคะบูชานี้ก็คือวันบูชาในวันเพ็ญเดือนสามสมัยก่อนเดือนสามนี่จะไม่ชื่อว่ามาคะครับแล้วก็มีเหตุการณ์มาอาจารย์เกิดขึ้นครั้งเดียวในพระพุทธศาสนา คือมีพระภิกษุหนึ่งพันสองรอยห้าสิบรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิทต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันมาแล้วพระภิกษุทั้งหนึ่งพันสองร้อหสิบรูปนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาเป็นผู้บวชให้แล้วพระภิกษุหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปนี้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งหมดอันนี้ก็เป็น ความหรของศาสนาที่มีพระอาหารหันต์ถึง 1,250 รูปมาประชุมกันในที่เดียวกันซึ่งเกิดขึ้นในในศาสนานี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทรงโปรดแสดงธรรมหัวใจของพระพุทธศาสนาคือหัวใจของคำสอนของของพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่สามข้อด้วยกัน คือ 1. ให้ละการกระทำบาปทั้งปวง 2. ให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชนะจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนานี่คือหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาประกาศพระธรรมคำสอนในยุคใดสมัยใดก็จะสอนเหมือนสมด เพราว่าเป็นเหมือนกับวิธีรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นหมอที่ไหนถ้ารักษาโรค ก, ก็จะรักษาแบบเดียวกันฉะนนความทุกข์ใจก็ต้องรักษาด้วยสามวิธีนี้ถึงจะสามารถกำจัดความทุกข์ใจทงต่างให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าถ้ามีคำสอนที่ขัดกับ คำสอนของพระเจ้าก็ถือว่ามันไม่ใช่เป็นคำสอนที่จะสามารถทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องละบาปให้ได้เพราะบาปเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ใจทุกข์สังเกตดูวเวลาใครทำบาปแล้วจะไม่มีความรู้สึกสุขใจจะรู้สึกทุกข์ใจกังวลใจกับวิบากที่ตนทำไว้ที่จะเกิดขึ้นกับตนแล้วก็ ถ้าอยากจะมีความสุขในระดับที่ระดับกลายกับวาจาก็ให้ทําความดีด้วยการทําบุญทำกุศลตา่างๆแล้วถ้าอยากจะบรรลุพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องชำระใจให้สะอาดกจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาตัวที่พาให้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆ การลาบาปแะการทำบุญยังไม่สามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เพียงแต่ว่าการลาบาปจะปิดประตูะบายไม่ต้องไปเกิดในบายการทำบุญก็จะทำให้ใจมีความสุขได้ไปสวรรค์ตอนที่ร่างกายตายไปแล้วแต่ทั้งบุญทั้งบาปที่ที่ทำและที่ไม่ได้ทำนี้ก็จะทำให้พอกำลังของบุญหรือบาปอ่อนลงไม่มีกำลังที่จะ ส่งไปสวรรค์นั้นยืไปอาบายได้ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาพบกับความทุกข์ที่เกิดจากการเป็นมนุษย์เป็นพบกับความแก่ความเจ็บความตายใหม่ไปเรื่อยๆถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแกเจ็บตายไปเรื่อยๆก็ต้องปฏิบัติขั้นที่3ข้อที่สเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ โดยการํำเพงจิตตภาวนามีสองระดับสมาถาภาวนาวิปั ส, สนาภาวนาแลนั้นการสนับสนุนด้วยสีลของนักบวชคือรดับสีนแปดขึ้นไปสีนแปดสีน 10, สิบหรือสีลสองร้ยิบเจ็ดจะทำให้กําจัดนิวรนต่างๆให้เวลาเข้าสมาธิจะได้เข้าได้ง่ายได้สะดวกแล้วก็ ความจิตสงบ ม, มีสมาธิมีโอเบขาเมื่อออกจากสมาธิมาก็สามารถใช้ความสงบความมีโอเบขาของจิตนี้ไปสู้กับกิเลสตัณหาที่ตัวที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ด้วยการพิจารณาทางปัญญาว่าความทุกข์ต่างๆหรือการมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากตัณหาความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยากนี้เท่านั้นเอง ใจเท่าถ้าไม่มีสมาธิไม่มีโอเบขาจะไม่มีกําลังหยุดคําอยากได้แต่ถ้ามีสมาธิมีโอเบขาใจก็จะสู้กับความอยากนะไม่ทําตามความอยากได้พอไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะอ่อนกําลังและหมดกําลังไปในที่สุดเม่อไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไมมีแต่ความสุขเพราะตัวที่สร้างความ ควทุกสร้างความไม่สงบไม่ไม่ไม่ให้ความสุขก็คือความอยากต่างๆนี่เองพอเราหยุดความอยากได้ทําให้ความอยากหมดสิ้นไปได้ใจก็จะนิ่งสงบ ม, มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดหาความสุขต่างๆจากสังสารวัฏเด็กต่อไปไม่ต้องมาหาความสุขจากการปรคุณห้าไม่ต้องมาหาความสุขจากรูปฌานหรือรูปฌาน พอใจมีความสุขในตัวของใจเองด้วยการกาจัดกิเลสตัณหาที่มีในใจให้หมดสิ้นไปเท่านั้นเองก็ในวันนิพพานเป็นความสุขที่สูงสุดมรรมสุขเพาเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดความสุขอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นทางกามงคลห้าทางเรื่องประชานะรูปปัจจานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดแล้วก็ต้องไปหามาใหม่ ก็ต้องกลับไปกลับไปเวียนว่ตายเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่พอได้ความสุขของพระนิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปหาความสุขอย่างเงินอีกต่อไปก็สามารถอยู่ในนิพพานไปได้ตลอดไม่ต้องมาทุกข์กับการแก่แก่เจ็บตายอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้อันนี่คือสรุปความสั้นๆของคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ พระพุทธเจ้าจะมาตารัสรูแลามาสอนธรรมะในยุคใดสมัยใดก็จะต้องสอนวิธีนี้ด้วยกันถูกเปล่์เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องไปนรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าเพราะเขาจะเจอพระพเจ้าเหมือนกับองค์นี้สอนเหมือนกันคําสอนเหมือนกันสิ่งที่เราควรจะทําทก็คือนีบปฏิบัติตามให้ได้เถอะ โอกาสที่เราจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะการเกิดของพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งก็เป็นของยากการที่เกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากนี่เป็นโอกาสทองของพวกเรามันกับถึวลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งให้รีบไปขึ้นรางวันซะถอาอตเตอรี่ไปขึ้ น, น, น, นในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ แอาจารย์ครับทั้งสามข้อนี้เราทําไปพร้อมๆกันไม่ต้องมีลำดับขั้นใช่ไหมครับก็สองขั้นแรกมันเป็นขั้นเริ่มต้นเนี่ยเพราะมันง่ายการละบาปเพียงถือศีลห้าก็จบแล้วเสียศีลห้าลวเม้อนมอบายามุกก็ใช้ได้แนละ้วการเดินสุราไม่เื่อนการพนันไม่เที่ยวกลาคืนไม่ไม่เกลียดค้าไม่คบกับคนที่ชอบอบายามุกเป็นนิทานิก็จบไม่ฆ่าสัตว์ไม่นักงซับไม่ประพฤตินในกาไม่โกหก แครนี้ก็สามารถปิประตัวบายได้ะแต่กับทํายากกันกนิดหนึ่งการไม่ทําการไม่ทําบาปนี่มันง่ายกว่าการทําบาปนะเพราะการเราทำบาปแต่ครั้งมันจะต้องไปดําเนินการใช่ไหมเช่นจะไปขโมยเงินของใครก็ต้องไปตรวจสอบดู ว, ว่าใครมีเงินแล้วลช่องทางที่จะได้เงินของเขามานี้จะต้องทําอย่างไรการทําบาปนี้มันง่ายกว่ามันยากกว่าการไม่ทําบาปการไม่ทําบาปแล้วก็อยู่เฉยๆนะั่นเอง การไม่ทําบาปคือการรักษาสินนี้มันง่ายกว่าการทําบาปการทําบาปนี่มันยุ่งยากแต่กับชอบทํากันนะชอบทําของยากของง่ายไม่ชอบทําครับอาจารย์ปาฏิโมกข์นี่ท่านลงครั้งเดียวเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะลงครั้งเดียวใช่ไหมครับเท่าที่เคยคอ่านตามกฎพระวินัยเนี่ยปาฏิโมกข์คือการเสด็จปาฏิโมกข์คือการสดสินสองวันยี่สิบเจ็ดข้อ ของพระภิกษุที่พระเจ้าส่งกําหนดให้มาให้พระสงฆ์เรามาสวดกันทุกกลุ่มเดือนทุกสิบห้าวันเดือนหนึ่งจะสวดสองครั้งด้วยกันในวันเพ็ญกับวันแรมสิบห้าค่ำก็เป็นการทบทวนพระวินัยเพื่อจะได้ไม่หลงไม่เล่บแต่ไม่ได้สวดทุกรูปมีมรูปหนึ่งเป็นผู้สวดแล้วพระทั้งหลายก็นั่งฟังไปนับทราบ ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งประราชิกรงไปจนถ่งข้อสุดท้ายสองวยี่บเจ็ดข้อด้วยกันก็ใช้เวลาสวดประมาณสี่สิบห้านาทีในแต่ละคร้บประสงค์ที่อยู่ในวัดถ้ามีตั้งแต่พระสี่รูปขึ้นไปจะต้องมีการสวดพระปฏิโมกข์ถ้าน้อยกว่าสี่รูปก็ไม่ต้องสวดครับขอพระคุณพระอาจารย์ครับฟังไว้ก่อนมาคาะบูชาเลยครับ ขอจัดทำถามจาก เ, เพื่อนๆนะครับอาจารย์ครับคุณดําครับจะทําอย่างไรให้สามารถละสกกายทิฐิได้ครับก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนเพราะย้ า, าไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะรู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นแค่ดินน้ํานมไฟเป็นอาการสาสิบสองมันของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายอันนี้เรารู้อยู่แล้วปัญญาของเราแต่เรา แต่กิเลสของที่มีในใจเราไม่อยอมให้เรารับความจริงอันนี้มันอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันเลยสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสมาธินี้เท่านั้นเองต้องฝึกสมาธินั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งให้ได้แล้วจิตนิ่งสงบนี้กิเลสทํางานไม่ได้พอเรามีกําลังหยุดกิเลสได้พอเราออกมาจากสมาธิมาใช้ปัญญา พอเราเห็นว่ า, าที่เราทุกข์เพราะความอยากของเราเราก็หยุดความอยากเขาเลยท่านนั้นเองเราก็จะหยุดได้ตอนนี้เราหยุดไม่ได้เรายังอยากให้ไม่แก่อยากให้ไม่เจ็บอยากให้ไม่ตายอยู่เราไปตรวจเนื้อเราไปให้หมอเช็คนินใจก็รุ้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่อยากเป็นโรคภัยแค่เจ็บอยากจะให้มัน อ, อยู่แบบไม่มีโรคไัยแค่เจ็บ แต่เราก็ทำไม่ห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเราต้องศึกษาว่าร่างกายเป็นของไม่เทีย่ยมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีตัวตนไม่อยู่ภายใต้อำนาจของกายที่จะไปสั่งมันได้ไปเปลี่ยนมันได้ถ้าเรามองไม่เห็นความจริงอันนี้เราแสดงว่าเราไม่มีปัญญาถ้าเราเห็นความจริงอันนี้เราไป เราอยากจะรับมันแต่ยังรับไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีกําลังหยุดความอยากที่ที่ต่อต้านความจริงอันนี้งั้นพวกเราตอนนี้มีปัญญากันทุกคนนะาการเราขาดก็คือสมาธิกับกําลังหยุดขาดเบรกสมาธินี่เป็นเหมือนตัวเบรกกิเลสเบรกเบรกใจนะถ้าไม่มีสมาธิเราเบรกกิเลสเบรกความอยากไม่ได้ แตถ้าเรามีสมาธที่้วเราจะเบรกความอยากได้เมื่อเราใช้ปัญญาวิเคราะห์ตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะอยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะพราะอยากให้มันเที่ยงแต่เราก็สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เราก็เลยทุกไปเรื่อยๆกับความอยากของเราเองเพอเราเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราที่เราสามารถควบคุมได้เราก็หยุดปัญเสียหยุดได้ปั๊บความทุกข์ก็หายไป ส่วนความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราไม่ได้ไปเปลีป่ยนความไม่เที่ยงของร่างกายเปลี่ยนไม่ได้แต่เราเป็นใจไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการหยุดความอยากให้ร่างกายมันเที่ยงใจเราอยากกิเลส ข, ของเราอยากให้ร่างกายอยู่เปนนา น, านไม่เจ็บไายได้ปวดไม่แก่ไม่ตายแต่มันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราขาดกันก็คือสมาธิ เอาไว้ฝึกสตินั่งสมาธิจิตจะสงบได้ต้องมีสติคอยควบคุมใจตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับให้ไม่ให้ปัจจัยคิดด้วยเปื่อยให้ให้รู้เฉยๆให้หยุดคิดถ้า ห, หยุดคิดได้เวลานั่งสมาธิจิตก็เข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายรวดเร็วแล้ ว, เ, วลเราก็สามารถใช้สมาธินี้ไปสู้กับกิเลสต่อไปได้อันนี้เราไม่มีสมาธิเราสู้กิเลสไม่ไหว คุณรัตดาวันบอกว่าช่วงนี้เครียดมากเลยครับอยากจะขอวิธีแก้เพื่อให้นอนหลับง่ายๆครับก็ต้องใช้สติหยุดความคิดเนี่ยความคิดี่มันทําให้เราเครียดเพราะเราไปคิดด้วยความอยากอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าเราไม่สามารถจะไปควบคุมบงังคับต่างสิ่งต่างๆได้<ม>ให้เป็นไปตามความอยากของเราเราก็เลยเครียดแล้วเราต้องยอมรับว่าเราไปควบคุมไม่ได้หยุดไปหยุดพยายามที่จะไป ควบคุมไปทำอะไรในสิ่งที่เราทําไม่ได้ดีกว่าแล้วก็ยอมรับพอเรายอมรับได้จิตเราก็จะสงบนอนหลับสบายชวงนี้นอนไม่หลับก็ให้พุโทโธพุโทโธไว้ใชื่สติยับยั้งความคิดไปก่อนถ้ายังไม่มีปัญญา พ, พุโทโธมีกําลังมากที่จะหยุดความคิดได้เราก็จะหลับไปหนุ่มน้อยครับผมจะถาม เข้าใจเรื่องท่าใจผมไม่อยากทําประโยชน์แต่จิตอัตโนมัติรู้สึกผมต้องทําประโยชน์จะได้ตั้งใจครับถามว่าอย่างนี้เรียกว่าบังคับไหมครั บ, ค, รบคือการกระทำบางอย่างเราไม่ต้องบังคับถ้ามันเป็นนิสัยแต่การกระทำบางอย่างถ้ามันไม่เป็นนิสัยลราอาจจะต้องบังคับมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพิจารณาว่าการกระทํานี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษตับเรา ถ้าเราพิจารณาว่ามันทำแล้วเป็นประโยชน์กับเราแล้วมันไม่อยากทําเราก็ต้องบังคับมันให้ทําให้ได้เช่นให้เรานั่งสมาธินี้เป็นประโยชน์แต่มันไม่อยากนั่งเราก็ต้องบังคับมันเช่นเราต้องกําหนดตารางเวลาของการนั่งสมาธิเราไป น, นี่ทุกวันเวลาหกโมงเย็นหรือแปดสองทุ่มหรือว่าเวลาไหนก็ได้ให้กําหนดเวลาแล้วพอถึงเวลานั้นเราก็ไปทําตามที่เรากําหนดต้องบังคับมัน ตันท่าก็ต้องบังคับมัน ก, ก่อนแต่พอทําไปเรื่อยๆแล้วพอมัเกิดผลขึ้นมาแล้ว เ, เห็นว่ามันดีมันทําให้เรามีความสุขมีความสบายหายเครียดทีนี้เราไม่ต้องบังคับมันแล้วเราอยากจะทําแล้วมีฉันทามีความยินดีมีความเพลิดตามมาไม่อยงนั้กจะทําอะไรเราก็ต้องคํานึงถึงประโยชน์ก่อนที่จะเกิดกับเราว่ามันเป็นโทษหรือเป็นคุณกับเรา สิ่งหนึ่งที่มันโทษกับเราแต่เราชอบทำเราก็ควรจะหยุดมันเช่นบางคนชอบเด็ดซูลายาเมาถ้าเราพิจารณาแล้วมันก็เห็นว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายและจิตใจร่างกายเด่ดมากๆแล้วต่อไปก็ต้องเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเสียชีวิตก่อนก่อนวัยอันควรแล้วทางจิตใจก็จะไม่มีสติคอยควบคุมใจจิตใจจะวุ่นวายจะจะเครียดจะจะควบคุม อารมณ์ไม่ได้เวลาจะพูดจะทําอะไรก็อาจจะไปทําในสิ่งที่เสียหายแก่ผู้อื่นได้เราต้องพิจารณาการกระทําของเราว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้ามันเป็นโทษแต่เราชอบทําเราทำง่ายเราก็ต้องบังคับมันไม่ให้ทําให้ได้ในทางตรงข้ามถ้านั่งสมาธิว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่มันไม่ชอบนั่งไม่อยากนั่งเราก็ต้องบังคับให้มันให้นั่งให้ได้ มีความทุกข์มากเลยครับตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งครับจะต้องฟังพระอาจารย์นะครับเพราะเราไม่อยากเป็น ไ, ไม่อยากให้นาำกายเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเราศึกษาธรรมชาติของร่าำกายของทุกคนไม่มีใครยกเว้นทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนตอนหนี้ก็เทนเรื่องพระพุทธเจ้าทรงเห็นเห็นเทวทูตสี่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเพราะมันสําสเกิดความทุกข์ใจกับความเครียดขึ้นมา เขาไม่ใครคิดว่าร่างกายของเขาองค์จะต้องแก่เจ็บตายแต่พรรู้ว่าเครียดรู้ว่าต้องจะทุกข์ได้เห็นว่ามีวิธีที่จะทําให้หายทุกข์ได้คือไปบวชท่านก็เลยไปบวชในปฏิบัติทำจาราสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วคิดค้นหาปัญญาที่จะทําให้ความความเครียดหายไปอย่างถาวรสมาธิทาให้ความเครียดหายไ ป, ไปชัว่วคราวในขณะที่อยู่ในสมาธิ แต่พออยากสมาธิมาใจก็ยังไม่อยากให้ไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายอยู่ก็อยาทุกข์แต่ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งที่หนี่ยไม่ได้ห้ามไม่ได้ต้องยอมรับเพียงเพียงอย่างเดียวต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายพอยอมได้ปุ๊บก็หายทุกข์ทันทีจากคุณหนุ่มน้อยครับ งานศพใช้เทียนไฟฟ้าถามว่าอันนี้ผิดหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องของวัฒนธรีม น, นิยมตามตามยุคตามสมัยสมัยก่อนเขาไม่มีไม่มีแสงสว่างก็ใช้เทียนเป็นแสงสว่างแสมัยนี้มีมีแสงสว่างไฟฟ้าจะใช้เทียนแท้เทียนเทียนมันก็ได้แล้วแต่นี่เป็นเรื่องพิธีกรรมไม่ใช้เทียนเลยก็ได้ไม่ต้องใช้ทูบเลยก็ได้เมื่อก่อนนี่้จะนิยมจุดทูบเทียนเวลาเป็น ไปทำพิธีกรรมในวัดกันอย่างนี้เขาเริกแล้วเพราะทางหมอบอกว่าทูบมันควันทูบมันเป็นมะเรงเป็นสารก่อนมะเร็งอย่างนี้ก็เลยไม่มีใครจุดทูบเทียนใ น, ในสาราดัานนี้ไม่ต้องมีสถานทูบไว้จุดจุดทูบไม่มีที่ตั้งเทียนแล้วไม่มีใครทําเพียงแต่เข้าไปแล้วก็กราบพระก็พอมันเป็นเรื่องประเพณีนิยมนั่นเองสมัยก่อนวัดยานก็มีกระถางทูบเหรอครับอาจารย์ มีมีที่ที่ในสาลานี่ก็มีทในบสถก็มีแต่ในโบสถนี่ก็เอามาตั้งหลังทูบไว้ด้านด้านนอกเพราะด้านในนี่มันอบอวนแล้วความทูบมันไปทําให้เพดานฝ้าต่างๆมันดาเสียภาพรักเขาก็ตั้งอยู่ข้างนอกแต่ที่สาราก็ยังตั้งอยู่ในสาราแต่ตอนหลังนี่ก็ไม่มีใครใช้แล้วไม่มีการจดทูบเทียนสงสารพวกแม่ค้าที่ขายทูบเทียนในี้ยขาย เราขายอย่างอื่น <c oughs> ต้องขายเทียนไฟฟ้าแทนขายถูบไฟฟ้าแทนอาจารย์ครับมีคนถามเรื่องกฎหมายการลุยยาฆ่าในประเทศไทยเป็นไปได้ไหมครับเป็นมะเร็งเจ็บปวดมากเลยครับอ๋อมันเป็นเรื่องของคนที่ออกกฎหมายอันนี้แต่ถ้าถามทำหลักทำแล้วมันผิดเนีไม่ว่าจะฆ่าฆ่าด้วยความเมตตาหรือไม่เมตตามันก็เป็นการฆ่าอยู่ เป็นบาปจะทํ า, าทให้ผู้ค้านี้ตกนรกการดูความกลัวนี้ดูอย่างไรวางใจกับความกลัวนี้อย่างไรครับเราเรากลัวเราต้องรู้สิว่าเรากลัวหรือเปล่าอันนี้ถ้าเราไม่รู้เราเราจะไปดูอย่างไร้วเวลาเราหิวเราเราเรารู้เปล่าว่าเราเหิวเวลาเรากลัวอะไรเรารู้เปล่าวเรากลัวเช่นนับไปอยู่ที่เงียบๆคนเดียว ที่มืดนี่เรากลัวไหมกลัวใช่ไหมครับกลัวเราก็ต้องถามว่ากลัวกลัวอะไรกลัวอะไรจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ากลัวว่าอะไจะมาทําร้ายร่างกายเราหรือเปล่าถ้ากลัวก็เพราะว่าเราลากร่างกายเราไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรแต่ถ้าเราพิจารณาความจรงิงแล้วร่างกายเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนวันใดวันหนึ่งมันก็ต้อถึงถึงแก่ความตายอยู่ดีถึงเวลาอาจจะต้องเจ็บเนื้อจเจ็บตัวอยู่ดี เราห้ามมันไม่ได้ถ้าเรายอมรับว่าตายก็ตายเจ็บก็เจ็บเราก็จะหายกลัวเพราความกลัวเกิดจากความไม่อยากให้มันเกิดขึ้นไม่อยากให้ความตายเกิดขึ้นไม่อยากให้ความเจ็บเกิดขึ้นแต่ถ้าเราพิจารณาความจริงแล้วนั่งกายของทุกคนมันชาก็แล้วมันก็ต้องเจ็บและต้องตายด้วยกันทุกคนห้ามมันไม่ได้ดงนั้นถ้าเราอยากจะทําให้ใจเราหายกลัวเหมือนกับไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมยอมตายยอมเจ็บ บอกว่าเป็นผู้ป่วยอฟอกไตครับอยากจะขอคําสอนของพระอาจารย์แนะนําการปฏิบัติตนปฏิบัติใจด้วยครับก็อย่างที่สอนมาพูดมาตลอดเวลาให้มิจฉาความไม่เที่ยงของร่างกายเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เราเจอแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ต้องยอมรับยอมยอ ม, ยอมเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายหายกด็ดีไม่หายก็ ต้องอยู่กับมันไปท่านั่นเองทำอะไรไม่ได้ทาใจได้อย่างเดียวคือยอมรับความจริงที่ใจเราไม่ยอมรับความจริงเพราะเราไม่มีกำลังสู้กับกิเลส ท, ที่ไม่ยอมรับความจริงกิเลสมันอยากจะให้ใจไม่เจ็บไออยากจะให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยอยากพอมันสร้างความอยากเหล่านี้ขึ้นมามันเลยทำให้ใจเราทุกข์ทให้ใจเราเครียดถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ เราก็จะไม่เครียดเราก็จะไม่ทุกข์จะหยุดมันได้ก็ต้องมีสมาธิเห็นตอนนี้พยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มากมากแล้วใจเราจะเย็นลงใจเราจะสงบลงความทุกข์จะน้อยลงไปจนในที่สุดก็จะหายไปขึ้นอยู่กับความลังของสมาธิของเราว่ามีมากมีน้อยเท่าไหร่คุณแว่นครับสัพเพธรรมนานังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ถือเป็นหัวใจพระศาสนาได้ไหมครับ อันนี้ก็เป็นคําสอนอันหนึ่งแต่มันไม่มันก็มันไม่ได้ครอบคุมทั้งหมดอย่ยครอบคุมทั้งหมดต้องมีทั้งสามอย่างละการกระทําบาปสร้างบุญสร้างบุศลแล้วก็ชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดการมายึดมันถือมันนี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาซึ่งเป็นส่วนประกอบของของการรักษาใจให้หายทุกแต่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบอันเดียว ต้องมีองป์ปกรณ์อย่างอื่มาสนับสนุนด้วยเริ่มปฏิบัติเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่วันนี้จะสายไปไหมครับตอนนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีครับไม่สายครับทำได้ดีกว่าไม่ทําแต่คุณตีเล็กครับข้อที่หนึ่งครับถามว่าพระปกติอาบน้ําได้วันละกี่ครั้งครับไม่มีข้อบางครับอเไ็ไม่มีข้อหา้า ข้อที่สองครับพระวัดป่าบ้านตัดอาบน้ำวันละกี่ครั้งครับเท่าที่เท่าที่รู้นะสมัยที่เราอยู่นั้นก็อาบกันแค่วันละครั้งเดียวช่วงที่เราหลังจากทําภารกิจปัดกวาด้านวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเย็นเราก็จะไปอาบน้ําที่ที่บ่อพร้อมกันเพราะที่นั่นจะไม่มีห้องน้ําส่วนตัวกันส่วนใหญ่พระผู้น้อยก็จะไปอาบที่ที่ที่บ่อน้ําที่เราสูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ใส่ถังแล้วตัดอาบกัน ตอนเย็นแต่สําหรับหลวงตาบางครั้งท่านกลับมาจากบินตาบาทตอนเชา้าแล้วบางทีท่านเหงื่อแตกมากท่านก็จะอาบแบบเร็วๆอยู่ข้างสาราจะมีบ่จะมีตุ่มน้ำอยู่ตุ่มนึงให้ท่านตัดน้ำลาดใส่ร่างกายบ้างข้อที่สามครับพระต้องนั่งปัสสาวะห้ามยืนจริงไหมครับจริงอันนี้เป็นบรรยาาทของพระ สปัสสาวะก็ดีหรือว่าการจะรับประทานอาหารจะนั่มน้่ก็ดีต้องนั่งนั่นต้องอยู่ในท่านั่งไม่ให้ยืนเดิมหรือเดินเดิมยืนกินหร้อเดินกินเหมือนฝรั่งฝรั่งนี่เขาแบบฟาสต์ฟู้ดเนี่ยไปซื้อมาป๊อกก็หยิบเข้าปากเลยเด่มยือันนี้ถือว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่สวยงามในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเอามายายของพระเจ้าแผ่นดินมาใช้มาสอนทเพื่อให้พะได้เป็น เป็นเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมเคารพนับถือไงก็เลยเอามารยาทของกษัตริย์มาสอนพระอันนี้อยู่ในสีมสองร้อยยี่สิบ็เลยใช่ไหมใชพระในพระปฏิโมกข้อที่สี่ครับถ้าพระไม่สามารถนั่งได้อย่างนี้มีข้อยกเว้นไหมครับน<อ>นไม่ถ้าทำไนั่งไม่ได้ไม่นอนเลยไหมครับถ้า น, นอนคงไม่เป็นไร นอนบสว่างนถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องทําไปตามตามตามเหตุตามผลนะถ้าป่วยมากๆจะถูกยกเว้นเวลามีข้อกําหนดไี้ห้ามแต่จะยกเว้นภาพป่วยถ้าไม่ป่วยไม่เป็นอะไรก็ไม่ให้ทําถ้าเป็นกาอนุญาตให้ทําได้อาจารย์ครับจะยืนเทศเดินเทศก็ไม่ได้ไหมครับอาจารย์ครับ อันนี้ก็ไม่มีข้อห้ามนะเท่าที่แต่อาจจะมีก็ได้นะไม่ทราบเพราะมีบางคนเขาบอกว่าเวลาพระให้พรเนี่ถือว่าเป็นการเทศแล้วมาเทศแล้วคนฟังนี่มาให้นั่งฟังถ้าพระยืนเทศอันนี้เราก็เราก็ไม่ได้เถีงเยงอะไรเพียงแต่เราก็เห็นว่าในสมัยปัจจุบันนี้มันก็ไม่เสียหายตรงไหนเพราะเราทำเนียมอยากจะให้ความเคารพกับพระก็คือเวลาคุยกับพระไม่ว่าพระท่านจะยืนจะนั่งเรามักจะนั่งก่อนใช่ไหม แต่สมัยโบราณเนะี่ยก็อาจจะต้องดูว่าพระอยู่ในท่าไหนถ้าพระอยู่ในท่ายืนก็ต้องยืนตามพระถ้าพระอยู่ในท่านั่งก็ต้องนั่งตามพระทั้งนี้มันเป็นเรื่องของมารยาทครับเรียนขอคําแนะนําในการฝึกปฏิบัติการทําสมาธิที่ถูกต้องต้องทําอย่างไรครับต้องมีสติกํากับใจเวลานั่งสมาธิน่าไม่ให้นั่งเฉย ให้มีสติอยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆไม่ให้หยุดคําบริกรรมจนกว่าจิตจะสงบนีวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ให้มีสติดูลมหายใจเข้าออกให้รู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกรู้ที่ปลายใจมูกเวลาลมเข้าต้องรู้อยู่ตรงนั้นเวลาลมออกก็ใหรู้อยู่ตรงนั้นไม่ให้ใจไปที่อื่นนี่คือการนั่งสมาธิที่ถูกต้องต้องมีสติอย่านั่งใจลอยอย่านั่งไปดูความคิดอย่าไม่นั่งไป นึกถึงสวรรค์นิพพานอะไรแล้วก็ปรุงแต่งขึ้นมาว่ากําลังเห็นสวรรค์เห็นอะไรอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งที่ถูกต้องวิธีนั่งที่ถูกต้องต้องปราศจากความคิดต้องผูกใจไว้กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วผูกใจไว้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้คุณพลอยครับบอกว่าธรรมะพระอาจารย์ดีที่สุดทําให้เป็นคนดีขึ้นมากไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ไม่จะติดถึงจะไม่ดีขั้นไปบวชแต่การใ ช, ช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นมากๆ ม, ม, มีสติอยู่ในสีลห้าอยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้าครับสาธุเจะทถ้าไม่มีกำลังใจที่จะสอนเพิ่มมากขึ้นเวลาเหนื่อยๆบางทีก็มาไม่อยากจะสอนเลยวันนี้เทศก่อนจะจบชั่วโมงนี้รู้สึกวเหนื่อยหมดแรบแต่คนเขาก็ชอบคำยอเหมือนกัน รำรำยังชอบสนัสนุนอยู่เป็นกำลังใจครับเพลงแตไม่ติดนะไม่ได้สนับสนุนก็ไม่ไม่เสียใจแต่ถ้าได้คําสนับสนุนก็จะมีความชื่นชมยินดีด้วยอาจารย์นําทางพวกเราได้ได้มากทีเดียวเลยครับอาจารย์ครับเหตุและปัจจัยทางพพุทธศาสนาหมายถึงอะไรครับ เหตุส่วนญาณถ้าเราพูดถึงเหตุก็คือการกระทําของเรานี่เป็นตัวเหตุการกระทําทางกายวาจาใจในี้เป็นเหตุแล้วผลก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือประโยชน์สุขหรือโทษความเสียหายตามมาดงนั้นถ้าเราอยากจะทําสิ่งที่มีประโยชน์สุขเราก็ต้องทําเหตุที่ทําให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นมาก็คือทําดีพูดดีคิดดี ถ้าเราไม่ต้องการให้กระทําในสิ่งที่เกิดโทษขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ล่เว็นการกระทําที่ไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีคิดไม่ดีทั้งนั้นแหละนี่คือเหตุผลที่ในหลักของศาสนาแต่หลักเหตุอย่างอื่นก็มีนะแต่ศาสนาไม่ค่อยไปยึด เ, เป็นเป็นประเด็นสําคัญเช่นเหตุที่ทําให้น้ําท่วมเหตุที่ทําให้เกิดจราจรติดขัด น, นี่มันก็มีเหตุของมันรถมากกว่าถนนที่จะวิ่งได้มันรถมันก็ต้องติด วิธีจะทําให้มันไม่ติดก็เกิดทำถนนมากขึ้นหรือ่าปริมาณรถให้น้อยลงอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลทางโลกแต่ทางธรรมนี่เราเราตรงไปเรามุ่งไปที่การกระทําเป็นหลักการกระทํางทางกายวาจาใจของเราเนี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้เราสุขหรืทุกข์ทำให้เราอไปเกิดที่ดีหรือไปเกิดที่ไม่ดีต่อไป พิสมพรครับบอกว่าวันมาคะ บ, บูชาปฏิบัติธรรมตามวันมา บ, บูชาอย่างไรบ้างครับถ้าเราปฏิบัติอะไรเราก็ปฏิบัติไปถ้าเราอยู่นปฏิบัติทานล้วก็ใส่ทําบุญใส่บาตรไปรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลเราก็รักษาไปถ้าเราภาวนาเราก็ภาวนาไปเหมือนเดิมเพียงแต่อย่าทำมากขึ้นบางคนทาทั้งคืนเลการภาวนาบางวันนี้เขาจะมีการปฏิบัติธรรมทั้งคืน การข้ามก็เดินเวียนเทียนกันเสร็จแล้วก็เข้าเข้าไปในศาลาหรือโบสถ์เพื่อส่วนมนต์สลับกับการนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมไปจนถึงสวรรคต้องกำหนดจิตอย่างไรไม่ให้แพ้ใจกับคนใกล้ชิดครับก็ต้องมีสติคอยควบคุมใจเวลาใจเราเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเราก็ใช้ใช้สติหยุดมันได้ใช้กํรบริกรรมพุทโธพุทโธไป อันนี้เป็นขั้นสติก่อนแต่ขั้นปัญญาถ้าเราถ้าเรามีสติแล้วเราอยากจะใช้ปัญญาก็จะต้องพิจารณาว่าคนที่เราอยู่ใกล้หรือพบปะนี่มันเหมือนดินฟ้าอากาศไปพระเจ้าบอกเป็นเหมือนกับไม่มีตัวตนเป็นเป็นธรรมชาติเหมือนกับดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับก่อได้ผลจะตกแดดจะออกที่เราก็ต้องทําใจอยู่กับเขาไปใช่ไหม ยังไงคนจะดีคนไม่ดีเราก็ต้องทำใจอยู่เขาไปเท่าที่เราต้องอยู่กับเขาก็ทำใจเฉยๆได้เองถ้าเรามีสติอยู่แล้วทำใจเฉยได้เป็นอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะทำใจให้เฉยได้ลแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกังวลกับเขาอีกต่อไปเรารู้จักวิธีที่เราจะปฏิบัติกับเขานะเราก็จะมองเขาว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศบางทีเขาก็ดีบางทีเขาก็ไม่ดี คุณมาริสาครับที่ไต้หวันมีรับสมัครงานการเป็นพระแบบนี้เขาจะได้บุญไหมครับถ้ารับไม่ทราบเป็นพระแบบนี้หมายถึงไปโกนหัวแล้วก็เปโผล่พระเหลืองอยู่ถ้าถ้าเขารับแล้วเขาอไม่ทราบถ้าเขามีรายได้นี่เขามันก็เป็นการเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายไม่ได้เป็นการ มันไม่ได้หรอกเพราะการเป็นพระไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่สมัครงานการเป็นพระการจะเป็นพระนี่มันต้องบวชมันจะต้องบวชแล้วต้องรักษาศีลของพระ227ข้อถึงจะเป็นพระได้ไม่ใช่เป็นสมัครเป็นพระได้ด้วยการรับจ้างอันนี้ก็เป็นพระปอมท่าถ้าจะเป็นก็เป็นพระปอมพระจริงเขาไม่มีการจไม่มีการว่าจ้างกันต้องบวชเองครับคํา คำขอบวชยังต้องท่องให้ได้ด้วยเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่บางวันเขาก็นิยมผ่อนผันเพราะสมัยนี้เขานิยมบวชน้าไฟกันเอาคนตายก็บวชก็เอาคงยาให้เปิดหนังสือท่องไปแทนเอาบวชเจ้าโดยเสึกเย็นละครัเอาเผาศพเส่ก็ะึกนละอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการบวชจริงะบวชจริงต้องบวชแล้วไม่เสร็จถึงเรียกว่าบวชจริง ถ้าไปปฏิบัติธรรมแก้บนตอนกลางคืนจะนอนรวมห้องละสองคนได้ไหมครับก็แล้วแต่วัดที่เขาที่เราไปบวชว่าเขามีนโ ย, ยบายอย่างไรถ้าพวกวัดแก้บนนี้เขาคงจะให้นอนะหลายคนได้เพราะเขารู้ว่าพวกนี้เป็นขี้กลัวอยู่แล้ว <c oughs> พวกที่ไปบวชแก้บนแต่ถ้าจะไปบวชอยู่วัดกรรมฐานวัดป่านี้เขาไม่ให้อยู่นอนร่วมกันเขาให้กกันอยู่เปรียวิเวก <c oughs> ไม่ใหทุกข์เียกัน แต่วันคำวิานเขาก็จะไม่รับพระแบบหมดชั่วคราวหมดแก้บนกันวันบางวันนี่มีกทระเบียบเข้มข้นมากก่อนจะเป็นพระได้เขาต้องให้อยู่เป็นถือศีลแปดไปปีหนึ่งก่อนบางวัดรู้สึกสายหลวงปูชาุท่านจะกําหนดยาน่างใคยากจะไหว้สายหลวงปู่ชานี้ต้องไปถือศีลแปดอยู่หนึ่งปีก่อนเป็นผ้าขาวเขาเรียกพระขาวแต่ก็ปฏิบัติเหมือนพระกินมื้อเดียว ไปเป็นฑบาตกับพระไปช่วยพระถ่ายบาอะไรต่างๆนั่งสมาธิปฏิบัติทำเหมือนกันแต่ยังไม่ให้เป็นพระแล้วพออยู่ผ่านหนึ่งปีเขาพิจารณาเห็นว่าอ่ใช้ได้ไม่เืือไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาเขาก็าจะบวชให้ถ้าเป็นชาวต่างชาตินอกจากเป็นพระสาวหนึ่งปีแล้วให้เป็นบวชเนรเงหนึ่งปีก่อนนะ้อไม่บวชพระทันทีเลย เพราะเขาเห็นว่าพระนางนี้อาจจะหัวแข็งก็เลยต้องับด้านก่อนคุณบัวครับวิญญาณถูกสะกดได้หรือครับนึกว่าตายแล้วก็ไปตามเวรตามกรรมไม่คิดว่าสามารถทำได้ครับไม่น่าจะได้นะวิญญาณอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องของความเชื่อเวลาที่นั่งสมาธิลมหายใจสั้นบ้างยาวบ้างอย่างนี้ได้ไหมครับ ได้เราไม่ควบคุมลมหายใจจะสั้นจะยาวจะหยาบจะละเอียดนี่ปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของลมเราเพียงใช้ลมเป็นที่ผูกใจไว้เท่านั้นเองไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆช่วงนี้เจอความเจ็บป่วยที่หนักขึ้นเหมือนเข้าใกล้ความตายมากขึ้นรู้สึกกระวนกระวายกลัวไปหมดพระอาจารย์ควรวางใจและปฏิบัติอย่างไรดีครับก็เนี่ยต้องพยายามฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจนิ่งใจเย็น แล้วสอนใจด้วยปัญญาว่าเกิดมาแล้วต้องตายไปกันทุกคนลวงพ้นการตายไปไม่ได้ถ้าเรามีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาใจเราก็่าหายกลัวเป็น LG BTQ ครับแต่ต้องแต่งงานและมีลูกเพื่อพ่อแม่และคบกับเพศเดียวกันโดยคู่ครองยินยอมอย่างนี้ผิดศีลข้อสามไหมครับ อันนี้มันเราก็ไม่ทราบนะเพราะว่าสินข้อสั่งเขาก็เพต่ระบุว่าต้องร่วมลำนอนกับคู่ครองของตนนั้นแต่ไม่ผิดประเพณีแต่ถ้ามีสัญญาตกลงกันได้ก็อาจจะอนุโลมกันได้นะว่าสินข้อนี้ก็มีไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียออกเสียใจระหว่างคู่ครองของตนอันนี้ไม่รู้นะอาจจะมีมีข้อข้ออย่างอื่ น, เ, นเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ทราบ เวลาเราเจริญสติเราควรรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าณนะเวลานั้นเราทําอะไรอยู่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับหนูพยายามจ ะ, จะเจริญสติทุกๆอิรยาบดแต่สงสัยว่าถ้าสมมติหนูรีดผ้าไปและฟังธรรมะไปสติรู้หนูจะอยู่ที่ไหนแต่หนูพิจารณาเองว่าอยู่กับเสียงของพระเทศมากกว่าเพราะฟังและทําความเข้าใจไปด้วยและตั้งใจฟังดีแต่มือที่รีดผ้าอยู่ก็เฝ้าระวังไม่ให้ผ้าไหมสติหนูไม่ได้โฟกัสการรีดผ้าหรือครับ สงสัยว่าในชีวิตประจำวันของเราถ้าการทํางานมันจะต้องเป็นมัลติทัสกิ้งแบบนี้มันจะต้องโฟกัสอันไหนครับต้องทําอย่างเดียวดีกว่าถ้าอยากฟังธรรมก็อย่าเพิ่งรีบผ้านั่งนั่งเฉยๆฟังธรรมมันจะได้เต็มร้อยถ้าเราฟังธรรมเรื่ยรีบผ้าไปด้วยใจเราจะเปลี่ยนแวบไปแวบมาจากฟังธรรมแล้วก็ต้องมาดูการรีบผ้ามันก็จะฟังแบบไม่ต่อเนื่องปัญญาที่จะเกิดก็อาจจะไม่เกิด แล้วก็ถ้ารีดผ้าเราฟังเผอไปฟังทำงานเกินไปอาจจะทําให้ผ้าไหมก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันถ้าเป็นการปฏิบัติเนี่เราจะเน้นให้ทําอย่างเดียวพอเพิ่งจากไปได้สิบเก้าวันครับยังทําใจยอมรับในการจากไปไม่ได้เลยครับเวียงวางครับเพราะนี่แหละใจเราไม่ยอมรับความจริงเงี่ยเพราะเราไม่เคยสอนใจไว้ก่อน ว่าทุกอย่างต้องมีการพัดผาจากกันเป็นธรรมดาแล้วใจเราก็ไม่เป็นสมาธิที่จะสู้กับกิเลสที่ยังไม่อยากให้เกิดการพัดผ้าขึ้นมาใจเราก็เลยทุกข์กันถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิสามารถหยุดความอยากได้และสามารถสอนใจว่าให้ยอมรับความจริงได้เวลาเกิดความจริงขึ้นมาใจเราก็จะรู้สึกเฉย การสอนเด็กว่าทําให้คนสูงอายุยิ้มมีความสุขจะได้บุญอย่างนี้ถูกต้องไหมครับก็ดีกว่าทำให้เขานั่งให้ทำให้ว่าให้เขาเสียใจทําความสุขให้กับผู้อื่นโดยที่ถ้าเป็นงานกระทําที่ไม่ไม่เกิดความเสียหายให้กับใครก็ทําได้เป็นบุญเป็นความเมตตาเหมือนเราเจอกันเราทักทายแล้วยกมือไหว้แค่นีก้ก็เป็นความสุขแล้วใช่ไหม ทับพระมารับบาตรตอนเช้าแล้วพระชวนคุยได้ไหมครับไม่ได้หรอกนอกจากมีธุระจำเป็นที่เราพูดคุยกันก็อาจจะพูดได้คุณทัศนีครับขอข้อธรรมะช่วยรักษาจิตใจไม่ให้เบิร์นเอาครับก็ ข, ขาดสติไจะปล่อยให้ใจคิดมากจนเกินไปใจก็เลยร้อนขึ้นมาเครียดขึ้นมาฟุ้งซ่านขึ้นมา วิธีที่จะทำให้ไม่ให้ใจฟุง้งซ่านก็คือเนี่ยต้องคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้คิดเท่าที่จําเป็นที่จะต้องคิดแล้วคิดด้วยปัญญาคิดด้วยเหตุด้วยผลอ ย, าดดยอา่าคิดด้วยอารมณ์ให้คิดด้วยอารมณ์ก็อาจจะทําให้เครียดได้บริกรรมพุทโธเมนาโถตลอดทั้งวันที่ระลึกได้บริกรรมเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าวางใจแบบนี้ถูกไหมครับ คือการบริกรรมนี้เพื่อให้เราหยุดความคิดให้เราในสติรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปกับความคิดต่างๆอันนี้คือเป้าหมายหลักของการบริกรรมไม่ว่าจะเป็นบริกรรมบทไหนําไหนก็ตามที่เราต้องรู้ว่าเราบริกรมรมแล้วใจออกไปคิดเรื่องนั้นนี้ด้วยหรือเปล่าต้องไม่ให้คิดให้ใจว่างให้ใจสับแต่ว่ารู้เฉยๆ นั้นต่ออันนี้ก่อนเลยครับพระอาจารย์บอกว่าไม่ได้สวดมนต์เองโดยโตรงแต่เปิด YouTube แบบนี้ได้บุญไหมครับถ้าเราอยู่กอดเต็นอยู่กับเสียงสวดมนต์โดยที่ไม่ไปคิดอะไรก็ได้บุญได้ใจก็ได้สติได้ความสงบในระดับ้เหมือนกับฟังเทศเทำธรรมพระฉันกาแฟโอวตินไมโลตอนเย็นได้ไหมครับ บางอย่างฉันได้ม า, าอย่างเฉันกาแฟนี่ฉันได้แต่ไม่ต้องต้องไม่มีนมผสมด้วยเช่นกาแฟดำํำใส่น้ําตาลได้แต่ใส่นมไม่ได้เพราะว่ามันเต็มไปโดนี้เขาว่ามันมีพวกเข้าโม้ลเลยผสมไปด้ว ย, วยก็ก็ถือว่ารับประทานไม่ได้เพราะถือว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารไม่นอาหารไปไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระแต่ทําทานช่วยเหลือเจอจุนผู้อื่นบริจาคแบบนี้ได้บุญด้วยไหมครับ ได้เป็นบุญเหมือนกันเป็นทานเหมือนกันเป็นการให้เป็นการเสียสละแบ่งปันการที่สื่อบางส่วนมักนำเสนอข่าวโจมตีพระบ่อยๆอาจทำให้คนดูเข้าใจผิดหรือโน้มเอียงไปด้วยทั้งที่ความจริงพระท่านอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่นำเสนอถือว่าบาปทั้งสื่อและผู้ชมด้วยไหมครับผู้เสนอระ บ, บาปถ้าไม่ตรงกับความเป็นจริงและผู้ชมนี่ไม่ได้บา อินดรับทราบแต่ผู้ชมควยังใช้การอภิสูตที่พระเจ้าทรงสอนว่าเวลาเราได้ยินอะไรเห็นอะไรในนี้อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธให้เราไปพิสูจน์ดูกอนว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ยิ่งสมัยนี้มันมีเฟซนิวเยอะใช่ไหมมีข่าวสารที่ไม่ตรงกับความจริงเงยอะมากเวลาบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องมีความระมัดระวังเพราะพระเจ้านิลานนะรู้ื่องหน้าก่อน ตสองพันกว่าร้อยปีก็จะมีเหตุการณ์นี้ในยุคเราสมัยเราเนื่ย <laughs> <laughs> จะมีตั้งแต่ยุคสมัยพุทธเจ้าแล้วก็ในสมัยพุทธเจ้าก็มีนักที่สอนคําสอนอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดคอยก็เลยนักจะไปถามพุทธเจ้าชื่อได้ไหมเชื่อคนนี้ได้ไหมเชื่อคนนั้นได้ไหมพุทธเจ้าจะสรุปลงไปที่สิบกรณีสืบสิบข้อด้วยกันว่าไม่ให้เชื่อเท่านั้นว่าจะเป็นใครจนกว่าเราจะไปพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริง ถ้ายังไม่จริงอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปปฏิเสธการเดินจงกรมและนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องทำควบคู่กันไปไหมครับเป็นการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องถ้าเราอยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนี่เราจะไม่สามารถนั่งสมาธิได้ตลอดเวลาเวลาเรานั่งเราเมื่อยหรือเจ็บเราก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมสลับกันไปทั้งนั้นแต่นการปฏิบัติต่อคือใจเราก็ยังมีสติอยู่กับการเดินกับการนั่ง ถ้าปฏิบัติอย่างนี้วนะ่าการจะเข้าสู่สมาธินี้มันง่ายเพราะมันจะมีสมาจะมีสติมากคุณอุทัยครับเวลาทําบุญทําทานอธิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานการขอเช่นนี้เป็นกิเลสหรือไม่ครับมันไม่เป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นเองขออะไรก็ไม่ได้หรอกเพราะการจะเป็นนิพพานไม่ใช่อยู่จากการทําบุญทําทานอย่างเดียวทําบุญทําทานนี่เป็นส่วนหนึ่ง ยังต้องรักษาศีลยังต้องภาวนาอีกสองส่วนถึงจะได้ไปถึงพระนิพพานได้ถ้าเราปฏิบัติทั้งสามส่วนครบถ้วนบริบูรณ์เราไม่ต้องขอหรอกมันได้เองเหมือนกินข้าวเนี่ยเราไม่ต้องไปขอให้อิ่มหรอกขอให้กินไปเรื่อยๆอย่าหยุดกินเดี๋ยวมันก็อิ่มขึ้นมาเองครับอยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การขอศา ส, สนาพุทธจึงไม่ได้เป็นศาสนาขอแต่เป็นศาสนาธรรมให้ทํากันให้ปฏิบัติกัน การทําการคือการปฏิบัติธรรมเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอดทนและสติรู้ให้ทันแต่ในใจคิดอยากจะลาออกได้บุญไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราทําด้วยสติหรือเปล่าถ้าทําด้วยสติใจเราจะมีความสุขกาจะไม่คิดอยากจะลาออกถ้าเราอยากจะลาออกแสดงว่าเราไม่มีสติไหวให้ใจคิดทําให้ใจเกิดความเบื่อหนได้มันจะว่าได้บุญหรือไม่ก็ไม่ได้บุญหรอกนอกจากว่ามัน ก็อยากออกด้วยปัญญาว่าทํางานเหล่านี้ซึ่งเป็นปฏิบัติทําไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นบุญถ้าเราเห็นว่าการทํางานทางโลกนี้มันก็เพียงแค่ประโยชน์ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นั่นเองแต่หลังจากที่เราตายไปแล้วใจเรานี้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากงานที่เราทําในทางโลกเลยแต่ถ้าเราเอาไปปฏิบัติทางธรรมนี่ใจเราจะได้รับประโยชน์ทั้งหมดสามารถเอาประโยชน์ที่เราทํานี้ไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราคิดอย่างนี้เราอยากจะออก ไปปฏิบัติธรรมอยากจะออกอย่าย ง, งานอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นปัญญาเป็นความฉลาดคุณสัมพันธ์ครับกําลังจะถูกให้ออกจากงานครับครอบครัวน่าจะลําบากต้องเลี้ยงพ่อแม่อีกควรทําใจอย่างไรครับก็ต้องยอมรับความจริงเราหลุดมันได้หรือเปล่าเราห้ามาาามันได้หรือเปล่าเหมือนกับเราห้ามฝนตกน้ําท่วมได้หรือเปล่าห้ามไม่ได้เราก็ต้องเตรียมรับกับเหตุการณ์ รายได้น้อยลงก็ต้องใช้ให้น้อยลงไป้กินให้น้อยลงไปไปดูรายการที่คนยากจนมามาเล่าเรื่องของเขามองวันเขาว่าไม่มีข้าวกินเขาเลยต้องกินน้นําแทนไปหรือไม่งมั้นก็ต้องไปขอข้าวที่วัดกันคนไหนที่อยู่ใกล้วัดบางทีก็ไปขอข้าวที่วัดกินกันไปอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใดถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ แล้วมันไม่ใช่เป็นความขี้เกียจของเราแต่มันเป็นมันเป็นกรรมของเราหรือเป็นภาวะที่เราจะต้องเจอโดยที่เราหลี่เรืเร่องไม่ได้บางคนตกงานไม่มีรายได้แต่ต้องกินอ่ะร่างกายมันต้องกินทัน้วันจะทำยังไงถ้ามีที่ไหนที่เขาแจกอาหารก็ไปรับเสียไม่เสียหายตรงไหนเราอย่าไปถือว่าเราไปเป็นคนเกียจคร้าเป็นคนขี้เกียจอะไรไม่ใช่มันไม่ใช่สาเหตุอย่างนั้น คนบาคนที่ไม่อยากจะทําบุญทําทานช่วยเหลือคนก็จะอ้างว่าเขาขี้เกียจแต่ความจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาเขาตกทุนได้ยากเพราะอะไรบางทีไม่ใช่เพราะความเกลียดแค้รนะเป็นเพราะว่ามันโชคก็ไม่ดีมั้งทาอะไรก็เจ๊งอยู่เลยอยากกําจัดตัณหาพอฝึกก็จะมีความคิดที่วิ่งเข้ามาตลอดอยากขอคําแนะนําพระอาจารย์ครับ ก็ต้องหยุดความคิดก่อนไงะนั้นสติพุโทโธพุโทโธไปคอยควบคุมความคิดให้ได้ก่อนแล้ว น, นั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้เราสามารถเอาชนะนิวรณ์ห้าอย่างถาวรได้ไหมครับได้ถ้าเราชนะมันครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะชนะมันไปได้เรื่อยๆ เ, เพราะเราลุกวิธีกําจัด ทำอย่างไรจึงจะรู้รอบโทษของความทุกข์เพื่อมีอุบายออกจากความทุกข์ได้ครับก็พิจารณาบ่อยๆว่าความทุกข์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็เกิดขึ้นเวลาเวลาแก่นี่ก็ทุกข์ลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ลวผู้เจ้าวางวางวางหลักเกให้พิจารณาความทุกข์อยู่ในเรียสั์ข้อที่หนึ่งการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ การตายก็เป็นทุกข์การปัากจากกันก็เป็นทุกข์การเจอกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็เป็นทุกข์เนี่ยนี่หละคือความทุกข์ที่เราพบกันทุกวันในในขณะที่เรามีชีวิตอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งวิธีที่จะละความทุกข์เหล่านี้ก็ทําใจให้สงบแล้วยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เราจะต้องเจอแล้วก็จะไม่ทุกข์กัน อาจารย์เคยรู้สึกเหมือนพลังทั่วตัวมันร่วงลงไปแล้วรู้สึกตัวเองลอยอยู่กายยังยืนอยู่ได้สักครู่ร่างกายก็ล่วงตามไปอย่างนี้ใช่การแยกรูปนามไหมครับไม่ใช่หรอการแยกรูปนามนี่มันต้องใช้ปัญญาพิจารณาไมเคราะว่ารูปเป็นยังไงรูปก็คือเป็นดินน้ำมมไฟธาตุสีส่วนนามก็คือความรู้สึกนึกคิดเองมันเป็นนมามธรรม การรู้สึกสุดทุกข์ไม่สุด ไ, ไม่ทุกข์นี้เป็นนามธรรมาการถวายร่างกับการไม่ได้ถวายร่างตอนตายอันไหนได้บุญกว่ากันครับไม่ได้ทั้งสองไม่อู้จไปถวายใครร่างกายเราไม่รู้จะไปถวายใครแล้วถวายทําไมถวายอย่างไรถึงนี้ว่าถวายอันนี้ถ้าเราถวายเพื่ อ, อยับตายอันนี้ก็เราก็จะได้บุญเราก็จะไม่ทุกข์ตอนที่เราตาย ถ้าเราอยากตายคุณเอกครับนั่งสมาธิแล้วเห็นความคิดวิ่งไปวิ่งมาตลอดไม่อยู่กับพุโทโธเลยครับนั่งไปนานีอาการโยกหน้าเหมือนง่วงนอนต้องคนต่อไปหรือไม่พอคิดว่าง่วงก็เลยหยุดนั่งเลยเป็นอย่างนี้ตลอดครับนั่งไปก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วเพราะมันไม่เกิดผลต้องฝึกสัว์พุโทโธให้มากก่อนก่อนที่จะมานั่งนี่ท่านสอนให้พุโทโธไปทั้งวันเลยทําได้ไหมลองลองทําดู เราเลืตาขึ้นมาก็พูดโธไปเลยอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พูดโธรแต่งเนื้อแต่งตัวก็พูดโธไปไม่ว่าเราเขาทำอะไรอยู่ก็พูดโธพูดโธไปจะหยพูดโธก็ต่อเมื่อเราต้องใช้ความคิดหรือต้องคุยกับคนนั้นคนนี้เราก็หยุดพูดโธไว้ก่อนพอเราไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องคุยกับใครเราก็กลับมาพูดโทรไปถ้าเรามีพูดโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลานั่งสมาธิมันก็จะมีพูดโธพูดโธก็จะไม่หายแล้วความคิดต่างๆก็จะหายไปหมด ใจก็นิ่งสงบได้ในการทำงานจริงเวลาพูดคุยการนำเสนอข้อคิดเห็นทำอย่างไรจึงจะทำให้เกิดจุดสมดุลครับคำถามจบแค่นี้เลยครับขออนุญาตข้ามนะครับ อ, อาจารย์ครับกระดูของบันพบุรุษที่ลูกหลานเคยใส่ไว้ในโกรธและไหว้ทุกเทศกาลถ้าปัจจุบันนำไปลอยอังคารพอถึงเทศกาลก็ไปใส่บาตรถวายพระตาหาที่วัด ทำได้ไหมครับได้มันไม่เกี่ยวกันเรื่องทําบุญนี้เราสามารถทําได้ทุกเวลาจะมีกระดูกหรือไม่มีกระดูกก็ต่างเราสามารถทําบนญแอุทิศให้กับผู้ ล, ล่วงลับไปแล้วได้กระดูกนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นของที่เราอยากจะเก็บไว้เพื่อเรานักถึงท่านนั่นรูปภาพอย่างเงี้ยแตถ้าเราคิดว่าเราไ ม, ไม่ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้เพราะเราไปลูกหลายเขาที่บากเกิดในหลังง่เมันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราก็ เอาไปรออ่านขาดเสียก็ได้ไม่ไม่เสียหายตรงไหนเดินจงกรมอย่างเดียวไม่นั่งเลยได้ไหมครับถ้าเดินอย่างเดียวมันจะได้แต่สติมันยังจะไม่ให้สมาธิเพราะจะให้สมาธิร่างกายต้องอยู่เฉยๆถ้ายืนจงกรมถ้ายืนเฉยๆแล้วมีสติพูดโธไปนี่จิตก็อาจจะเข้าสมาธิได้แต่ยากกว่าการนั่งสมาธิ งั้นถ้อยากจะให้ใจนิ่งสงบเข้าสมาธิต้องอยู่ในท่านั้นจะดีที่สุดขอถามไปเพิ่มนะคะพระอาจารย์บอกว่าในการทํางานเวลาที่พูดคุยนําเสนอข้อคิดเห็นทําอย่างไรถึงจะให้เกิดจุดสมดุลระหว่างการพูดตรงพูดความจริงกับการรักษาน้ําใจครับเออหรักๆการทำน้นเราต้องรักษาความจริงมากกว่ารักษาน้ําใจเพราะว่านะ ถาเราไพูดไม่จริงมันก็จะทําให้เสียหายได้ mm hmm. เราต้องพูดความจริงหลวงตามหาบุญท่านเคยพูดเสมอว่าท่านเก่งใจทำมากกว่าเก่งใจคนถ้าเก่งใจทำแล้วถ้าเก่งใจคนแล้วทำจะจะแหลกทำจะเสียหาย mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านรักษาเคารพธรรมมากกว่าเคารพใจคนของคนอื่น หาคนมาดูแลสวนเขาฉีดยาฆ่ า, มาแมลงให้เราเจ้าของสวนบาปหรือไม่ครับถ้าเราสั่งเขาก็บาปพ่อดักนกได้ครับแต่ลูกไปแอบปล่อยแบบนี้ลูกบาปไหมครับก็เป็นของพ่อเราไปเอาขโมยของของพ่อไปทำมันก็บาปนะเป็นการขโมยนอกจากถ้าขออนุ ญ, ญาตพ่อแล้วเอาไปปล่อยแล้วพ่ออนุ ญ, ญาตให้ไปก็ไม่บาป คุณจารึกบอกว่าขอคําสอนพระอาจารย์แนะนําเรื่องลูกสาวลูกเขยอยู่ด้วยกันแต่ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างอยู่ขอคําแนะนําว่าจะทําอย่างไรครับก็ถ้ายากกันหน้าก็ยากกันไปถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขจะอยู่กันไปทําไมก็แยกกันไปถ้าอยู่อยู่แบบนี้ถ้ามีความสุก็อยู่กันไปไม่ใช่เรื่องของเรา พ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมดทางรักษาหมอให้ลูกเซ็นชื่อหยุดการรักษาไม่มีประโยชน์แล้วอย่างนี้ลูกบาปไหมครับถ้าพ่อเป็นอะไรไปครับไม่บาปเรพราะเป็นการหยุดการรักษาไม่ได้เป็นการทําให้ตายคุณแครอทครับเราควรระลึกพุโทโธตลอดเวลาเพื่อฝึกจิตใจให้มีสติก่อนแล้วค่อยไปนั่งสมาธิใช่ไหมครับ แต่ทำไมใจมันหลุดไปคิดอย่างอื่นพอนึกได้ว่าหลุดจากพุโทโธแล้วกลับมาต้องพุโทโธใหม่อย่างนี้ทําถูกไหมครับถูกเราเราทําพุโทโธน้อยไปเราเลยไม่ค่อยอยู่กับพุโทโธเราคิดมากกว่าเราพุโทโธต่อไปเราต้องฝึกให้พุโทโธมากกว่าเราคิดแล้วต่อไปพุโทโธก็จะมีมากกว่าความคิดแล้วก็จะทําให้ใจนิ่งสงบได้เวลาที่เรานั่งสมาธิคนเราเกิดมามีกรรมเป็นแดนเกิด แสดงว่าชีวิตเราเกิดมาถูกลิขิตไว้แล้วใช่ไหมครับส่วนหนึ่งการที่เรามาเกิดนี่ก็เกิดจากบุญก บ, บาปที่เราทําไว้นะมันก็เป็นตัวที่จะกําหนดให้เรามาเกิดดีหรือเกิดไม่ดีทําไมบางคนเกิดเล่นดีกว่าคนอีกคนอย่างอีกบางคนเกิดมาแล้วแย่กว่าอีกคนหนึ่งอันนี้ก็มีบุญบาปเป็นผู้มีส่วนตัดสินมีเหตุที่ทําให้เราเกิดมาแตกต่างกันไปฉลาดกว่ามากกว่า ฉลาดน้อยกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญญาที่ได้สะสมมาบางคนปัญญาสะสมมากมากก็จะฉลาดบางคนไม่มีปัญญาไม่ได้สะสมปัญญามากก็จะไม่ฉลาดเป็นต้นอันนี้มันก็เกิดจากการกระทาของเราในอดีตชาติที่เราเรียกว่ากรรมกรรมหมาว่าการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ เวลานั่งสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรระหว่างบริกรรมพุทโธกับนั่งรู้ลมหายใจว่าอันไหนเหมาะกับตัวเรามากกว่ากันครับตอนนี้สับสนไม่แน่ใจว่าดูลมหรือพุทโธดีครับก็ลองทีละอย่างเลยน้อพุทโธเดินแต่ถ้าไม่ได้ทั้งสองอย่างแสดงว่าเราไม่มีสติมากกว่าเราต้องกลับไปฝึกสติให้มากก่อนเวลาที่เราไม่นั่งสมาธิเราต้องพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยเรือรือดูการเคลื่อนไหว ข, ของร่างกายไปเรื่อยๆ อย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้ต่อมาเวลานั่งสมาธิถ้าเรามีสติดีจะใช้พุทโธก็ได้จะดูลมก็ได้มันก็จะสงบได้เหมือนกันสาเหตุที่มันดูลมไม่ได้และพุทโธไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติมากกว่าถ้าไม่มีเงินมากพอที่จะทำบุญแล้วเราอยากได้บุญมีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยให้เราได้บุญครับก็รักษาศีลก็ได้บุญเนีย แล้วก็มีความสุขจากการรักษาศีลได้นั่งสมาธิเราก็ได้บุญมีครับสุได้ไม่จาเป็นเราต้องทําบุญทําทานพ่านักงบวชนี่เราไม่ได้มาทําบุญทํำทานกันนะนักบวชก็มีแต่รักษาศีลกันฝึกสมาธิจเจริญปัญญาเท่านั้นเป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจแทนนั้นเป็นความสุขที่ดีกว่ามากกว่าเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทาน คุณครองสติบอกว่าฉีดปลวกที่บ้านตามรอบเพื่อป้องกันเป็นบาปไหมครับถ้าป้องกันก็ไม่บาปถ้าไม่มีตัวแล้วฉีดกันไว้ก่อนพอปลวกมันจะขึ้นม้านพอมันได้มันดมกลิ่นป้ามันก็จะถอยกลับไปแต่ย่าไปฉีดตอนที่มีตัวอยู่ตงั้นฉีดป้ามันตายวิธีหนึ่งอาจจะกวาดมันไปก่อนกวาดให้มันไปก่อนแล้วพอไม่มีตัวแล้วเราก็ฉีดด้ว้พอมันกลับมาทีมัน พอได้กลิ่นมันก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลับมาอีกงนที่เขาก็มีชอ่ชองช่องที่เราสามารถขีดได้ขีดตรงบริเวณที่ที่มดรือโบกมันขึ้นเนี่ยพอมันมามันได้โดนกลิ่นปั้มมันก็จะถอยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการทำบุญแล้วอธิษฐานอย่างไรถึงจะได้บุญสูงสุดครับคือไม่ต้องอธิษฐานนะถ้า ถ้าอธิษฐานแปว่าความตั้งเป้าเนี่ยก็ต้องตั้งเป้าถ้ า, าอยากได้บุญสูงสุดล้วก็ต้องไปบวชไปปฏิบททัติธรรมถ้าเรายังไม่สามารถไปบวชไปปฏิบัติธรรมได้แล้วก็บวชขั้นต่ำก่อนว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานให้ทานมันมีสองระดับระดับสูงกับระดับต่ำาะดับต่ำก็รักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานไปตามกํากลัง ระดับสูงก็ไปรักษาศีลแปดศีลสิบหรือศี 7, ลสองร้อยี่บเจ็ดแล้วก็ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็จะได้บุญขั้นสูงเราก็สามารถนได้คุณสมพรครับโยมได้นําธรรมะของพระอาจารย์นํามาใช้ในการดํารงชีวิตทําให้ดำเนินชีวิตอย่างมีหลักธรรมดำเนินชีวิตโดยใช้ธรรมะของพระอาจารย์กํากับร่วมครับในางานพรครับ ถ้าสีห้าไม่สมบูรณ์จะทําสมาธิไม่ถึงฌานใช่ไหมครับคือเวลานั่งสมาธิเราก็มีศีลแล้วใช่ไหมถ้าเรานั่งสมาธิไปกินเหล้าไปนี่มันก็มันก็ทําไม่ได้มันก็เข้าสมาธิไม่ได้หรือขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วเราไปขโมยเงินของคนอื่นมันก็เข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆได้ก็แสดงว่าเรามีศีนลนะที่ไม่เหยียวยันนั่งได้นานเท่าไหร่นั่ น, นี้ มีคนบอกว่าหมาตัวเนี้เป็นบุตรของเราให้เรานําไปดูแลนําไปเลี้ยงเราควรจะทําอย่างไรครับก็อยู่ที่เราจะเชื่อเขาไม่เชื่อก็ไม่พระจ้ใช้การมาสู่ไปถ้าเราไม่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงแล้วไม่จริงเราก็ไม่ต้องเชื่อแต่เราก็ไม่ต้องปฏิเสธรับทราบไว้จนกว่าเราจะสามารถพิสูจน์ได้ลองเอาหมาตัวนี้สัตว์ตัวนี้ไปไปไปเอาของของของขอ ง, ของเก่าแเรามันจําได้หรือเปล่าท่านเราเนี่ย ให้พิสูจน์ได้ก่อนว่ามันเป็นดูปแบบจริงหรือเปล่าคุณนิพาครับบอกว่ที่บ้านใส่บาทอุทิศส่วนกุศลให้บิดาและญาติไม่ใช่ญาติสัตว์ทั้งหลายตั้งใจฆ่าและไม่ได้ตั้งใจฆ่าสัตว์เลี้ยงเปรตสัมภเวสีท่านเหล่านั้นจะได้รับหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าเขามารอรับหรือเปล่าถ้าก็มารอรับเขาก็ได้รับถ้าเขาไม่มารอรับเขาก็ไม่ได้ครับ หลานดูแลยายอายุเก้าสิบปดปีลูกๆขอไม่ดูยอมรับว่าดูแลยายเหนื่อยมากครับบางครั้งทอ ม, มากอยากทราบอานิสงครับอา น, นิสงการดูแลผู้อื่นก็ได้บุญการรับใช้ผู้อืนน่นอานิสงเมืต่อไปเราเวลาเราต้องการให้คนอื่นเขเราเดือนรอนก็จะมีคนอื่นมาดูแลเราแทนคุณแฮมครับ ที่ครอบครัวทําธุรกิจโรงแรมซึ่งบริการ ท, ทั้งที่พักและอาหารเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เป็นปกติบริโภครางงานไฟฟ้าสูงมากบาปไม่ครับและทางครอบครัวก็ทําบุญทําทานเป็นประจําครับถ้าเราไม่บริโภคเองก็ไม่บาปการดื่มแอลกอฮอล์จริงมันก็ไม่บาปเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเหตุที่จะทําให้เราไปทําบาปได้ง่ายเพราะเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์ดื่มตัวละแล้วก็อาจจะมีอาการมเมา เราก็จะไม่สามารถควบคุมควบคุมความคิดการพูดการกระทําของเราได้พอเราคิดไม่ดีเรามันก็เราก็จะไปทําไม่ดี ท, ทันทีแต่ถ้าเรามีสติเราไม่ได้เดือดโ้อราเราก็จะมีสติพอเราคิดไม่ดีเราก็จะหยุด ม, มันได้ไม่ต้องปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจาได้การสวดมนต์สวดในใจได้ไหมครับหรือควรจะสวดแบบออกเสียงดีครับสวดในใจเนะี้ยดีที่สุด ่วยไปแล้วก็อยู่ในท่านั่งสมาธิไปเลยเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวคุณสุกี้ครับทำอย่างไรให้เรามีจิตที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์และอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาทุกวันนี้สติหลุดตลอดเลยครับไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เกิดครับก็ต้องเจริญสติแล้วก็เจริญปัญญาสติก็คอยควบคุมใจไม่ให้คิดให้นิ่งเฉย ปัญญาก็สอนใจให้ปล่อยวางว่าทุกอย่างเราไปไปไ ป, ไปยึดไปติดไม่ได้เพราะเรือไปไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องปล่อยวางยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นกับกับเรากับสิ่ ง, งต่างๆถ้าเราละสิทธิในสมบัติที่ควรจะได้จากพ่อแม่โดยการยกให้พี่น้องแบบนี้ถือว่าเป็นทำทานหรือได้บุญด้วยไหมครับ ได้เป็นการให้ทานอย่างนี้นคุณแพทครับทําใจไม่โกรธเสียใจไม่ได้สักทีเวลามีคนทําหรือพูดไม่ดีกับเราครับทําอย่างไรดีครับต้องทําสติและปัญญาให้มากขึ้นอาจารย์ครับสอบถามครับเวลาฝันถึงคุณพ่อที่เสียไปแล้วทําไมในฝันถึงต้องทะเลาะกันตลอดแทบทุกครั้งเลยครับ มันเป็นความคิดปุกแต่งของเราจะมีความความความไม่พอใจอะไรไม่ไม่มีเรื่องกันมาก่อนในในอดีตก็ได้มันก็ฝังใจเราอยู่พอเวลาเรานอนหลําไอ้เรื่องราวเหล่นา น, ลนี้มันก็กลับขึ้นมาใหม่ก็อย่าไปถือสาวอย่าไปถือเป็นสาล่านะถือว่ามันเป็นเรื่องที่ยังค้าง่างครั่งครั ง, งใจเราอยู่ก็รับทราบไว้แล้วก็ปล่อยวางไป บนหลังเขาวัดยานมีเจ้าที่หรือเจ้าพ่อคอยดูแลไหมครับท่าที่อยู่ไม่มีนะแต่บา ง, งคนบางรูปเขาว่ามีแล้วแต่ประสบะการณ์ของแต่ละคนแต่เราไม่คบใครเลยไม่มีอะไรพบแต่กวางนะครับอาจารย์พวกกวางกับลิงกับพวกงูงเพวกนี้นะแต่พวกลุงวัดยานนี่ญญไม่เคยเจอถคาเราอาจจะไม่มีเพราะเราไม่มีอภิน ญ, ญาก็ได้นะ คนที่เขามีปภิญญาก็าอาจจะเห็นดวงวิญญาณต่างๆจิตสุดท้ายมีจริงไหมครับเป็นจิตดวงเดียวกันไม่มีสุดท้ายไม่มีจิตไม่ดับไม่ตายไปกับร่างกายจิตก็อยู่ต่อไปเป็นดวงสุดท้ายมากกว่าคนที่เขาพูดจิตสุดท้ายนี่เข้ามาในแต่เวลาร่างกายอยู่หายใจอันนั้นนะเขาเรียกว่าจิตสุดท้าย จึิงจิตมันไม่มีสุดท้ายไม่มีต้นไม่มีปลายมันอยู่ต่อไปเหมือนกับไม่มีไม่มีเกิดไม่มีดับพ่อแม่บุพการีคาดหวังกับเรามากบางอย่างท่านยึดติดและ High expectation perfectionist เราก็ยอมท่านเพราะเราเห็นว่าท่านมีพระคุณในอายุมากแล้วจึงยอมยอมดีกว่าได้บุญไหมครับได้ได้ความสงบได้ความสุขจัดค่อน จากการที่เราอยอมทํำให้ใจเราเย็นใจเราสบายนี่ก็เป็นความสุขใจอย่างนทําบุญใส่บาตรกับพระปลอมโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นพระปลอมแบบนี้เราได้บุญด้วยไหมครับได้แม้แต่รู้เละทําแล้วก็ได้เหมือนกันถ้าเราคิดว่าเขาไม่มีอาหารกินแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาถึงแม้เรรู้ว่าเขาปลอมมาก็ไม่ได้เป็นพระจริงได้ก็สงสารก็ได้ให้ความให้อาหารก็ได้ อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ยังยึดติดอดีตว่ามีร่างทรงอยู่โยมควรทํายังไงโยมทําได้แค่สวดมนต์ครับก็อย่าไปเชื่อตัวเองเยเปลี่ยนใจว่าเวลาคิดอย่างนี้เราก็หยุดมันใช้พูดโธพูดโธหยุดมันไปสวดมนต์ไปแฟนไปเอาเงินคนอื่นมาใช้จะไม่จ่ายไม่ใช้จ่ายในครอบครัวครับอย่างนี้เราผิดไปด้วยไหมครับ ถ้าเราได้รับประโยชน์แล้วก็เป็นมีส่วนมีมีส่วนเสียหายแนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟนเขาทำทำเพื่อถ้าเราไม่ได้สั่งเขาให้ไปทําแล้วเขาทาเองเนี่ความจริงเราก็ไม่ไ ม, มีไม่มีส่วนเว่าการการจะทําบาป น, นี้ต้องอยู่ที่เรามีเจตนาร่วมด้วยเช่นบอกให้แฟนไปทําผิดเนี้แล้วถึงแม้เราตัวเราเองจะไม่ได้ทําก็ตามแต่ แฟนเข้าไปทําให้เราอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็ผิดเหมือนกันเริ่มฝึกสติโดยการดูลมอยู่ตลอดเวลาทีนี้เวลาขับรถบางครั้งใจอยากจะดูลมต่อแบบนี้อันตรายไหมครับอันตรายต้องเปลี่ยนมาดูรถแทนดูการขับรถแทนเวลาที่เราทําอะไรไม่ควรดูลมให้ดูการกระทําของเราแทนจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดเกิดความเสียหายจะดูลมมากก็ตอนที่เรานั่งเฉยๆดีที่สุด ถ้าอยาเดือดรมให้เดือดร่มทมานั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลยนําเงินใส่ตู้ที่วัดที่จัดตั้งไว้เราควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรถึงจะได้บุญครับก็ไม่ไม่ต้องตั้งจิตอะไรก็เพียงแต่ให้มีความยินดีกับการทำบุญอย่างนี้เพราะจะได้เก่ประโยชน์กับผู้รับเกิประโยชน์กับวัดแค่นี้ก็พอเราก็ได้ได้บุญได้ความสุขใจ ใส่บาตรตอนเช้าเราอุทิศบุญให้ญาติในใจเลยได้ไหมครับได้ได้ทันทีไม่ต้องใช้น้ำประโยคที่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ว่าจะดีจะร้ายไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้วคือเกิดจากกรรมใช่ไหมครับมันไม่ได้ถูกกาหนดไวแล้วมันเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา เช่อาจจะฝนตกแล้วเราเดินไม่มีสติลื่นล้มลงไปทําให้ขาหักอย่างนี้มันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยหนึ่งฝนตกมันทางเดินมันลื่นแล้วเราเดินแบบไม่มีสติมันก็ทําให้เราล้มลงไปทําให้แขนขาหักขึ้นมาได้มันก็มีเหต promote, ทุทั้งทั้งทั้งฝนทั้งพื้นที่มันลื่นทั้งที่ไม่มีสติมันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไป แต่มีเหตุมีปัจจัยมันไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นเองถ้าบริจาคร่างกายหรืออวัยวะชาติหน้าเกิดมาจากครบสามสิบสองไหมครับครบแต่จะไม่ได้บุญนะถ้าบริจาคตอนที่เราตายไปแนละ้วถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจาคตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจาค า, า, ายไปข้างหนึ่ตาไปข้างหนึ่าเงี้ยเพราะเราจะรู้ว่าเราได้เสียสละสิ่งที่เรามิที่เรารักเราห่วงนี้ไป แล้วเราจะเกิดความสุขใจสบายใจแต่ถ้าเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรานี้เข้าไปทำอะไรบ้างเราจะไม่ได้บุญเลยตอนที่เราตายไปแล้วเวลาเราไปเดินออกกำลังกายถ้าเรากาหนดพุดโทโธในการเดินจะเป็นสมาธิได้ไหมครับเป็นสตินะ่ะสมาธิของ ย, า ย, าอย่าถ้าอยากให้เป็นสมาธิต้องนั่งเฉยๆแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป มีคนได้มาฟังใหม่เราบอกได้รับความรู้เพิ่มเติมทางธรรมะมากขึ้นมากเลยนะครับอาจารย์ครับก็มีเพราะว่าเราพูดแต่ธรรมะทางนั้น ไ, ได้พูดทั้งหมดเลยมีพระที่ชอบใบหวยคนอย่างนี้เป็นบาปไหมครับแล้วว่าพระพุทธเจ้าว่าผิดไหมครับมันก็ไม่เป็นกิจของพระที่เพิ่งจะทำไม่ให้เป็นมอญดูไม่ให้เป็นทํำลายถ่ายทักอะไรต่าง หน้าที่ของพระมาะเพื่อมาศึกษาปฏิบัติธรรมเมื่อสำเร็จแล้วก็เอาทําีได้รับรู้นี้มาสั่งสอนเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่ต่อไปถ้าสุนัขที่เราเลี้ยงนอนติดเตียงทุกทรมานด้วยที่ป่วยและอายุมากคุณหมอก็รักษาไม่ได้แล้วเราพูดกับสุนัขประจําว่าถ้าหมดเวรหมดกรรมให้หลับไปเลยแล้วอย่าพบการเกิดอีกเลยเพราะการเกิดเป็นทุกข์เราจะบาปไม่ครับ ไม่แบบถ้าเราไม่ไม่ไปทมให้เขาตายเป็นการสอนเขาแต่เขา ก, าก็ยังไม่เข้าใจภาษาเราเราไม่อยากไหว้เจ้าที่ที่จะต้องนำเนื้อสัตว์มาไหว้เราควรบอกพ่อแม่อย่างไรดีครับไม่รู้เหมือนกันนะก็บอกพ่อแม่เลยตรงว่าเราไม่อยากทำกแล้วกัน คุณแฮมครับบอกว่ากลางวันกวาดลานเดินจงกรมเพ่งอากาศกสินผ่านโพรงต้นไม้พอก่อนนอนนั่งสมาธิรวมได้เร็วครับแต่เกิดภาพนิมิตเป็นภาพตอนกลางวันและไม่สามารถหยุดภาพได้เลยจึงหยุดนั่งแล้วนอนฟังธรรมให้สงบต่อจนหลับได้ไหมครับก็ยังไม่ได้สมาธิจะได้สมาธิควรจะเป็ี่ยนมาดูลมหายใจแทนจะดีกว่า ทำไมเราถึงกลัวความตายทั้งที่เป็นเพียงการเคลื่อนที่ของดวงจิตตามที่พระอาจารย์บอกครับเพราะเราไปลงทิดว่าร่างกายเป็นตัวเราแล้วต้องสนใจว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเร า, ว า, า, าวเวลาคนอื่นตายเนี่ยเราไม่เราไม่กลัวเลยเพราะว่าเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าร่างกายที่เรามีอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันถ้าเรามองร่างกายที่เรามีอยู่นี้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นได้เราก็จะไม่กลัวตาย แม่ค้าหาบเร่แผงลอยซึ่งผิดกฎหมายจะโดนเทศกิจจับผิดข้อเลี้ยงชีพชอบหรือไม่ครับการเลี้ยงชีพมันขึ้นอยู่กับว่าเราเลี้ยงชีพด้วยอะไรค่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะถือว่าไม่ชอบแต่ถ้าทาํอาหากินขายอาหารขายเสื้อผ้าอย่างนี้มันก็เป็นการเลี้ยงชีพที่ชอบไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปทําผิดกฎหมายอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึงเป็นเรื่องของกฎหมายเราก็อย่าไปทําผิดกฎหมาย แล้วก็ไปทาที่เขามา่เขาไม่ไม่ไม่ห้ามสไปขายที่เขาไม่ห้ามที่ขครไหนเขาห้ามล้วก็อย่าไปทำนั่นเองมันคนลเรื่องกันแต่ถ้าเราไปฆ่าฆ่าวัวฆ่าเป็ดฆ่าไก่แล้วก็ามาย่างขายเงี้ยอันนี้เป็นอาชีพที่ไม่ชอบเพราะว่าเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตน แม้แต่ไปขายที่ถูกกฎหมายก็ไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบอยู่ ด, ไออดีไม่ชอบอยู่ดีคณะนอนอยู่กลับมองเห็นตัวเองและแม่นอนอยู่รู้เห็นหมดคืออะไรครับไม่รู้ใจใจปรุงแต่ ง, งไปได้เปล่าเพราะนมันหลอกมราได้นะมันธรรมะเราเห็นนู่เห็นนีน่ขึ้นมาได้อย่าไปสนใจให้กํับมาอยู่ที่ลมอยู่ที่พุทโธดีกว่าแล้วสวนมนไปดีกว่า นอการเหล่า น, นี้ก็จะหายไปถ้าเราทําบุญใส่บาตรทุกวันเกิดจะได้ผลบุญให้ได้รับสิ่งดีๆไหมครับอาทิได้ปิติความอิ่มเอิบใจและอันนี้ส่งของผลบุญหรือไม่ครับก็อยู่ว่าเราทํามากทําน้อยเนี่ยก็ทําถ้าเราทํามากความรู้สึกอิ่มเอิบใจก็ยังมีมากทําน้อยมันก็จะมีน้อย ถ้าไม่ท่องพุโทโธตอนทำสมาธิแต่พูดว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแทนได้ไหมครับได้ก็ลองทำดูทำดูวันนี้อาเสียยังทำใจไม่ได้ควรทำอย่างไรดีครับก็ฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นก็ทำใจให้สงบนะก็จะยอมรับความจริงได้ เวลาใส่บาตรเสร็จตอนเช้าพระจะชอบให้ของกินกลับมาเราจะรับได้ไหมครับท่านยังไม่ได้กลับวัดครับก็เป็นของของท่านท่านก็มีสิทธิ์ที่จะห้ไขใครก็ได้เราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ไม่ผิดไม่เป็นการรักทรัพย์ของใครท่านก็ไม่ได้รักทรัพย์เพราะอาหารนี้ท่านได้มาด้วยด้วยความยินยอมของผู้ให้ มันเป็นของของท่านแล้ ว, ลวถ้าท่านเห็นว่าท่านมีมากเกินกว่าที่ท่านจะฉันได้ท่านก็อยากจะแ บ, บ่งให้เราเราก็จะรับก็ได้หรือ ไ, ไม่รับก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็โดยธรรมเนียมเราก็มักจะไม่ปฏิเสธเพื่อรักษาน้ําใจกันจะลองศรัทธาจนอาจะเอาไปใช้หรือไปกินอะไรหรือไม่ก็เป็นสิทธิที่ของเราอาจจะเอาไปให้คนอื่นตอก็ได้แต่อย่าไปทําต่อหน้ากันก็แล้วกัน ขอคำแนะนําวิธีเจริญปัญญาแก้ราคะจริตด้วยครับก็ให้ดูความไม่สวยงามของร่างกายดูส่วนสัดส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นดูเข้าไปใต้ผิวหนังดูวัยวะต่างๆเช่นปอดตับไตลาไส้โครงกระดูกเป็นต้นอันนี้ก็จะทําให้การาาราคะนับไปได้แล้วให้หนึกถึงร่างกายเวลาที่ตายไปแล้วขึ้นอื่นขึ้นทองขึ้นมาเป็นซากศพ แต่เห็นท่าสมแล้วความอยากที่จะมีมีอะไรกับใครก็จะหายไปใส่บาตรทุกเชา้าทุกวันจับมือน้องหมาใส่บาตรด้วยอย่างนี้น้องหมากับป้ามีบุญสัมพันธ์กันใช่ไหมครับไม่ทราบนะน้องหมาคงจะทาตามที่เราสอนเขาทำาแต่เขาเคงจะไม่รู้เรื่องก็ได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ เวลานั่งสมาธิตั้งเวลาไว้ยังไม่ถึงกําหนดเวลาแต่ปวดขามากกําหนดแล้วยังแยกจิตไม่ออกจากเวทนานได้ต้องขยับทุกครั้งทํำยังไงดีครับอันนั้นเราใช้สติไปใช้สติก่อ ใ, ใช้กรรมบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วใช้การสวดวนไปให้ใจเราอยู่กับการสวดด้วยการบริกรรมอย่าไปคิดถึง ก, การปวดของร่างกายแล้วความรู้สึกทรมาน ก, ก็จะน้อยลงและจะทําให้เราสามารถนั่งต่อไปได้ การนั่งสมาธิทำไมถึงจิตสงบเป็นบางครั้งบางครั้งก็ใจไม่สงบเป็นเพราะอะไรครับเพราะสติามากน้อยตัดกันในแต่ละวันแล้วภาวะในจิตของเราก็มีความวุ่นวายมากน้อยตัดกันด้วยในแต่ละวันบางวันมันไม่มีเรื่องวุ่นวายก็อาจจะทำให้สงบได้ง่ายบางวันมีเรื่องวุ่นวายมากก็สงบได้ยากหรือบางวันมีสติน้อยมีสติมากมันก็มีผลต่อการทาสมาธิ ใจเบาสบายมีสติไม่มีความคิดอยู่กับความว่างตลอดคือสภาวะของอะไรครับก็สภาวะของความสมงบแต่สงบในระดับไหนก็แล้วแต่มันยังอาจจะไม่สมงบแบบเต็มที่ถวายพัะตาหารพระสงฆ์ลืมเอ่ยชื่อเราเป็นผู้ถวายพัะตาหารอย่างเป็นบุญที่เราทำหรือไม่ครับบุญไม่ได้อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่การการะทำของเรา ถ้าเรากระทำแล้วกครจะไปเอ่ ย, อยชื่อว่าคนนั้นคนที่ทำไม่ใช่เราทำมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงเพราะเราเป็นผู้กระทำเป็นของของเรามันก็เป็นบุญของเราอยู่ดีขอถามการปฏิบัติครับนั่งสมาธิประมาณชั่วโมงหนึ่งภาวนาผู้หายใจเข้าโทหายใจออกสักพักลมหายใจหายพุทโธหายใจเบาเหมือนปุยนุ่นพอถึงจุดนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อพอออกจากสมาธิมาแล้วมีความสุขมาก ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนครับพยายามให้มันอยู่อยงนี้นนานคราวหน้าต่อไปก็พยายามนั่งแล้วให้มันนั่งให้มันสงบแบบนีนนน้นานาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้แหละเรียกว่าสมาธิลูกคามม้นาสงบตั้งแต่ได้ฟังทำมาใช้ชีวิตมีสติมากขึ้นมากครับอาจารย์เวลานั่งสมาธิแล้วสามารถสื่อทางจิตกับคนที่นั่งด้วยได้คืออะไรครับ ไม่น่าจะได้นะนอกจากมีอาเพญยาทั้งคู่คนที่เราสื่อมเขาก็ามียาเพญยาแล้วเราก็มีอาเพญยาล้วก็สามารถที่จะติดต่อทางจิตกันได้ยาไม่ต้องผ่านทางร่างกายถ้าเราต้องปรับลดขนาดองค์กรโดยลดคนงานที่ไม่มีประสิทธิภาพลงเพื่อให้องค์กรอยู่ตลอดอนี้เราบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพราะเป็นการการทางาน ตาเหตุตามผลไม่มีความตั้งใจที่จะไปทําให้ใครเสียหายเดือดรอนเวลาทํากิจธุระในห้องน้ําฟังธรรมะไปด้วยท้าพระให้พรเรายกมือสาธุทั้งๆ ท, ที่อยู่ในห้องน้ําอย่างนี้บาปไหมครับไม่บาปหรอกเป็นแต่ามันสมควรหรือไม่สมควรนั้นเองถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เขา้าว่าบางทีเทวดาก็รู้ก็เห็นด้วยนะ บางทีเทวดาก็อาจจะตำหนิเราก็ได้ว่าไม่เหมาะสมครับตอนนี้พยายามมีสติอยู่กับตัวรู้ผูกไหมครับคื อ, อยากเพราะว่าตัวรู้นี่มันไม่ใช่จะรู้ได้จะเห็นมันได้ง่ายๆให้มีสติอยู่กับร่างกายก่อนจะดีกว่าแร้วมีสติอยู่กับพุโทโธก่อนจะดีกว่าจ้กว่าเราจะมีสติมากพอที่จะเห็นตัวรู้ได้ก็อยู่กับตัวรู้ไปก็ได้ จะต้องรู้เฉยๆนะไม่ให้รู้ไม่ให้รู้ไปคิดไปด้วยให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ถ้าเป็นไมเกรนนั่งสมาธิจะหายจากไมเกรนได้ไหมครับถ้ามันเกิดจากความเครียดจะหายได้เราจะนำหลักการทานอาหารมื้อเดียวมาใช้เพื่อลดกิเลสและเพื่อสุขภาพจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ทำไมเลย Okay. กินมือเดียวกำหนดล้วต่อไปเราจะกินมือเดียวกินให้น้อยลงไปขอวิธีทำอนาปานสติครับอาจารย์ก็ดูลมหายใจเขาออ้านั่งหลับตาแล้วก็ดูให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกที่บริเวณปลายจมกูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้เพียงแต่รู้ว่าลมตอนนี้เข้าหรือออกถ่านั้นสั้นหรืย อ, อยาวหยาบหรือละเอียด ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้รู้เฉยๆให้ใจผูกไว้กับลมเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อ่านประวัติครูบาอาจารย์ท่านสละทรัพย์ออกบวชแบบไม่เสียดายเลยเช่นพระอาจารย์จวหนหลวงปู่พรหมหรือหนีภรรยาไปบวชเช่นหลวงปู่ีสแสดงว่าการออกบวชต้องเด็ดเดี่ยวตั้งมั่นใช่ไม่จึงจะปฏิบัติธรรมได้อย่างราบรื่นครับส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้ายัางวกแวกอยู่ใจยังสองจิตสองใจอยู่ก็จะไปไม่ได้ นักนักพี่เสียดายน้องอีก็จะตัดสินใจไม่เล่าเจ้าอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าตอนที่จะออกบวชก็ยังไม่ยอมไม่กล้าไปไปลาภรรยาไปไปลาลูกอะไรต้องไปเลยเพราะรู้ว่าถ้าไปดูไปลาภรรยาไปลาลูกเดี๋ยวก็ใจอ่อนขึ้นมาเห็นก็าล่องไห้น้องห่มล่องห้ยขึ้นมาเดี๋ยก็ทนไม่ไหวไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็เลยไม่ไปดูดีกว่าไม่ไปลาใครไม่ไปบอกใครไปเลย เวลานั่งสมาธิภาวนาพุโทโธอยู่กับลมหายใจแต่ตาจะเห็นภาพจำต่างๆไปเรื่อยครับอย่าไปสนใจให้กลับมาดูที่การภาวนาของเรากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ตั้งแต่ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วนำมาปฏิบัติทำให้มีความสุขอิ่มบุญอิ่มใจระหวางเรื่องราวต่างๆได้ง่ายเสียสละได้ง่ายขึ้นตั้งใจจะสะสมบุญตลอดไปครับสาธุสาธุ ถ้าเราไม่ได้สวดมนต์เป็นบาลีแต่สวดคําแปลไปเลยแบบนี้ผิดไหมครับไม่ผิดอะโดยซึ่งเราไปเราจะได้เข้าใจความหมายของ บ, บทที่เราสวดด้วยเพราบทสวดส่วนใหญ่ก็จะเป็นธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจะได้ปัญญาด้วยถ้าเราไปทานบุฟเฟ่แล้วอาหารที่เรานํามาปรุงเป็นสิ่งมีชีวิตอทิ่หอยตลับเราต้องนํามาต้มกินเราบาปไหมครับบาปถ้าทําให้มันตายก็บาป เราจะเตรียมตัวเผชิญกับความตายยังไงไม่ทุกข์ครับก็ต้องทำสองอย่างก็ฝึกสติให้นัง้งนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วสอก็สอนใจอยู่เรืยอว่าเราต้องตายเป็นการความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครรู้พ้นความตายไปได้สอนให้ใจยอมรับความจริงกันนี้ให้ได้แล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ถึงเวลาที่เราจะต้องตาย ลูกที่ดูแลพ่อแม่จะได้บุญมากกว่าลูกที่ไม่ดูแลพ่อแม่ใช่ไหมครับถ้าคนที่ดูแลได้บุญคนที่ไม่ดูแลก็ไม่ได้บุญนั่งสมาธิแล้วเบาสบายแต่เห็นความคิดวัยเด็กผุดขึ้นมาบ่อยๆอย่างนี้ต้องแก้อย่างไรครับอย่าไปสนใจให้พยายามอยู่กับลมไปอยู่กับพุโทโธไปแล้วความคิดดังนั้นต่อไปมันก็จะหายไปเอง ดูลมหายใจเข้าออกเมื่อสงบลงแล้วกายหายไปรู้สึกว่าเราไม่มีมันสลายกลืนไปกับธรรมชาติโดยรอบควรฝึกอย่างไรต่อครับให้มันนิ่งเฉยๆไม่คิดอะไรการเรียกวิญญาณมีจริงไหมครับไม่ชาบเหมือนกันนะวิญญาณเป็นเรียกไม่ได้หรอกวิญญาณของใครก็ของมัน จิตจะอยู่แบบไหนเดินทางอย่างไรหลังจากร่างกายตายไปแล้วครับเพราะจิตมันก็อยู่ในโลกเทียมาตลอดเวลามันก็เพียงแต่ถอนถอนกระแสของการรับรู้ออกจากร่างกายเท่านั้นคือวิญญาณแล้วมันก็จะส่งกระแสวิญญาณนี้ไปหาร่างกายใหม่ต่อไปแต่จิตนี้ไม่ได้ไ ม, ไ, ดไม่ได้เคลื่อนไปไหนไม่ต้องเดินทางไปไหนเพราะมันไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีความไม่มีการเคลื่อนไหว มีแต่ความความคิดความกระทําในในจิตเท่านั้นที่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มีการเคลื่อนไหวแต่ตัวจิตแดงนี้มันไม่มีการมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างเหมือนง่ายมันก็เลยไม่มีการเคลื่อนไหวก่อนนั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์แต่เราตั้งใจนั่งเลยแบบนี้ได้ไหมครับได้ถ้านั่งได้ก็นั่งเลยก็ได้ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ มีคนบอกว่ามาดูครั้งแรกก็ได้คําตอบจากพระอาจารย์ดีใจมากนะครับวิญญาณเป็นตัวรู้แจ้งในอารมณ์ใช่ไหมครับคือวิญญาณนี้เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนผู้ที่รับรูปเสียงกิตวิทย์เข้ามาท่านั้นเองวิญญาณขันในขันห้าเนี่ยวิญญาณเป็นผู้ไปรับรูปเสียงจิตวิทยมาจากตาหูจมูกเลี้ยกายส่วนผู้รู้แจ้งเห็นจริงนี่คือใจ ที่เกิดจากการใช้ปัญญาวิเคราะห์ในสิ่งต่างๆเราจะนั่งสมาธิในที่ไม่สงบได้ไหมครับคือมันมันยากถ้านั่งในที่สงบมันยมันจะง่ายกว่าเพราะไม่มีไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจเราแต่ถ้าเราอยากจะนั่งที่ไหนก็เรานั่งดูถึงแล้วเราะ การปฏิบัติแล้วต้องทดลองอยู่เลรื่อยถ้าเราอยากจะรู้ว่าได้ไหรือไม่ได้บางทีเราก็ต้องลองผิดลองถูกดูตอนนี้เหลือนหนึ่งนาทีแต่คําถามหมดแล้วครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ตอบไปครบหมดหรือําถามเลยครับพ อ, อสมควรจะเวลาเรื่องข้ามอะไรมีคําถามสุดท้ายแล้วกันครับอาจารย์ครับรสวดมนต์แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ลูกเป็นเด็กดีกระตันยูได้ไหมครับอย่างนี้ถือว่าใจระหวังผลประโยชน์หรือไม่ครับ มันไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุกับผลนะส่วนวันนี่จะทําให้ใจเราสงบส่วนลูกเขาจะดีไม่ดีนี่เราไม่สามารถไปทําให้เขาดีหรือไม่ดีได้อยู่ที่ตัวเขาเองเราทําได้ก็เพียงแต่สอนแต่บอกเท่านั้นเองส่วนก็จะทําตามแล้ววันนี้เราก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้หมดเวลาพอดีครับอาจารครับ โอกาสครับอาจารย์วันนี้ในเฟซมีคนฟังอยู่หกร้อยสิบแปดในยูหกร้อยห้าในคลับเจ็ดใน t ิ k ต o อกเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าคนนะครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังทมอยู่ด้วยกันทั้งหมดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าคนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาทีอาจารย์ตอบคำถามได้หนึ่งร้อยี่สบสี่คำถามครับก็มังว่าคงเป็นประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนำเอาไป ใช้กับชีวิตให้เกิดความสุขมากขึ้นไปตามลาดับการสนทนาธรรมธรรมะ น, นี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำมาเสกที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขการเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าโ อ, อกาสหน้าไม่มีเหตุการณ์ช่องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคย ในเวลาเดิมขอเจริญพรแด่ขอพระคุณพระอาจารย์คะ